ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับตั้งต้นใหม่ตั้งเรื่องใหม่ผมเคยชักชวนท่านผู้ฟังที่ชอบสวด ถาอะไรต่างๆาให้สวดใจยมงคนคาถาแทนหลายๆคาถาที่ไม่ค่อยจะได้ื่องไม่ค่อยจะได้ความหรือแปลไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าจะสวดก็ให้สวดพัตนสูตรบางมงคลละสูตรบางาธรรมจักกับปวัตนสูตรบาง กือกรณียะมิตรสูตรครือว่าชัยมงคลคาถาแปดบทที่กล่าวถึงชัยชนะแปดครั้งของพระพุทธเจ้าโดวยวิธีต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆแต่วันนี้ก็จะนำเรื่องชัยมงคลคาถาแปดบท เรามาคุยกับท่านผู้ฟังไชยมงคลคาถาแปลว่าคาถาที่เอ่อเป็นมงคลที่เกี่ยวกับชัยชนะของพระพุทธเจา้าที่เราใช้คำว่าพุทธชัยมงคลถ้าเผื่อท่านไปในงานเอ่อขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานเอ่องานอะไรที่ สมมติกันว่าเป็นงานมงคลอาจารย์นิมนต์พระมาสวดมาสวดมนตที่บานถ้าไปถึงตอนหนึ่งท่านก็จะถามเจ้าภาพอวนาท่านขึ้นบทแล้วท่านก็จะถามเจ้าภาพว่ามีข้าพระพุทธไหมถ้ามีถ้าจัดเอาไว้แล้วก็ไปถวายพระพุทธรูปถ้าเจ้าภาพบอกว่าไม่มีไม่ได้จัดเอาไว้ก็แล้วไป เือบางท่านที่แท่งประเพณีหน่อยท่านก็บอกให้รีบไปจัดเขาก่อนกระจะสวดชชยมงคลคาถาจบคือถ้ามีถ้าจัดไปแล้วก็จะให้นำไปถวายพระพุทธตอนนั้นตอนที่ท่านขึ้นบทชชยมงคลคาถาคือภาหุสะัาดสมภิเนมมิตรสาบูทันตัง เ็นักเรียนก็นำไปสวดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสวดแบบแปลแปลแล้วแล้วก็ทำเป็นฉันทลักแล้วก็สวดกันเหมือนกันในงานเวียนเทียนก็สวดกันเหมือนกันในที่บางแหทีนี้ความจริง เ, เรื่องราวที่เกี่ยวกับการถวายข้าวพระพุทธก็น่าจะเป็นประเพณีที่มีมาในพุทธกาล นะครับหมายความว่าไม่ได้ถวายข้าพระพุทธในสมัยพุทธกาลแต่ว่ามาในภายหลังแต่ว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันก็มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขถ้าพระองค์เสด็จด้วยก็เป็นประมุขหรือถ้าสี่รูปบางทีก็มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สี่ ท่านใช้คำว่าพุทธจะตุดโถมีพระพุทธเจ้าเป็นที่สี่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่ า, าท่านเป็นประธานนั่นแหละวันนมนมณพระอื่นอีกสามรูปแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งก็เป็นที่สี่ท่านใช้คำอย่างนั้นว่าในงานแต่งงานในงานอะไรขึ้นบ้านใหม่อะไรนี้เขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปเพื่อ พระประธานโหบวา่าให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือให้กับคนที่มาในงานขึ้นบ้านใหม่แล้วเขาก็ไม่ถือกันมาถือกันในเมืองไทยนี่แหละพระสี่รูปต้องไปสวดศพทั้งเดียวไปงานสวดศพพระสี่รูปแต่ว่าในสมัยพุทธกาลท่านไม่ถือเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มี ยังไม่มีงานสวดศพนะครับแต่ศพใครที่เป็นอะไรลงไปตายลงไปอะไรเขาก็าาพากันไปเผาไม่มีการตั้งพธิธีสวดศพแม่พระศพของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีการสวดไม่มีการสวดไว้เจ็ดวันไว้เจ็ดวันเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการสวดพระศพถ้าจะมีบ้างก็มีการสแสดงธรรม การแสดงธรรมให้ฟังทราบว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อท่านมาณภนาภาไปแล้วท่านได้สั่งไว้ก่อนว่าในงานศพของท่านนั้นตั้งศพได้แต่ว่าไม่ไม่ให้มีการสวดว่าให้มีธรรมเทศนาแทนการสวดให้มีการเทศแทนการสวดเพราะว่าคนที่มาจะได้รู้เรื่องโดยตลอดเปลี่ยนการเทศ ก็ได้มีพระเถระรูปหนึ่งอยู่วัตอสชบกพิษท่านชอบใช้นามปากกาว่าไม่ใช่นามปากกาแลวครับท่านเขียนหนังสือท่านจะใช้นามสายาของท่านท่านเป็นพระราชคาณะท่านทรรมแต่ท่านไม่ใช้สมณศักดิ์ท่านใช้นามสายาของท่านคือปาษาทิกโกพิกู แล้วท่านก็จะตามด้วยคำว่าพุทธสาวกฝ่ายเทระวาทีพุทธสาวกฝ่ายเทระวาทีหมายความว่าพุทธสาวกฝ่ายเทรวา่าแล้วท่านก็สั่งเอาไว้เหมือนกัน ว, ว่าไม่ต้องทำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านมรณภาพแล้วไม่ต้องทำบุญอุทิศให้ท่านเพราะว่าท่านบวชมาตั้งแต่เล็กแน้อยบวชมานานจนอายุมาก มารณภาพด้วยชาราก็ได้ทำความดีมาเยอะแล้ว่าท่านเลี้ยงรักษาตัวได้ไม่ต้องทำบุญอุทิศให้ท่านแล้วก็ให้เผาในระยะเวลาอันสมควรอย่าไว้นานทำนองนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะหาได้ยากแล้วก็ทำได้ยากสำหรับคนตัวทั่วไป อั น, นี้ผมกเ็เอาแวะหน่อยหนึ่งนะครับแวะแวะลงข้างทางชมนกชมไม้ไปหน่อยหนึ่งเรื่องว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มชาวบ้านนิมนต์พระสงฆไปฉันเพก็มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุกทรงเป็นประมุกนี้เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วคนทั้งหลายยังระลึกถึงพระองค์อยู่จึงได้เทาไบ ข้าวเล็กๆน้อยๆด้วยแกพระพุทธรูปแม้ว่าพระพุทธรูปจะเกิดขึ้นภายหลังพุทธปริพัน์หลายร้อยปีประมาณหกร้อยปีประมาณนั้นนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยปีประมาณนั้นพระพุทธรูปเกิดขึ้นโดยฝีมือของช่างชาวกรีฑที่มาปกครองอินเดียพระพุทธรูปรุ่นแรกจึงเป็นสมัยคันธาระ แล้วก็มีกระพับไปรรูปร่างไปทางฝั่งนิดหน่อยไปทางไกลนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการถวายเข้าพระนี่นะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเส้นสวงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าแต่ประการใด <c oughs> เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้านั้นได้ลับสนิทแล้ว ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเทวดามนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกเลยไม่จะเห็นธรรมของพระองค์ก็เท่ากับเห็นพระองค์เพาะในพรหมชาลสูตรพระสูตรแรกในพระสูตรตันตปิดดกพระสูตรแรกพรหมชารสูตรพระเตวีดกเล่มเก้านะครับตอนท้ายๆหน่อยก็ตรัดไว้ชัดเจนว่าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะเห็นพระองค์ได้แต่เมื่อพระองค์นิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่เห็นพระองค์อีกเลยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่เห็นพระองค์อีกเลยไม่ใช่แต่เพียงมนุษย์นะเทวดาซึ่งเป็นตาทิพเทวดาตาทิพก็จะไม่เห็นพระองค์อีกเลยเพราะฉะนั้น การที่จะนั่งสมาธิวิปัสสนานั่งกรรมฐานไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอะไรถ้าถือตามเทราวาท์กาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ, ถ้าถือตามพระไตรปิฎกเทราวาทก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาถูกกระต่ายผิดตาย เพื่อนของเขาถูกกระต่ายผิดตายทีนี้อาถามว่ากระตายมีเขาไหมเขาก็ก็่อว่ากระต่ายไม่มีเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสืบต่อไปว่ากระตายตัวไหนขิดเขาตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะกระตายไม่มีเขาพรเขาพราเขาบอกว่า <_ S 1> เพื่อนของเขาถูกกระต่ายผิดตายเราก็ รู้ได้ทันทีว่าเขาพูดเท็จไม่เป็นความจริงดปตัมาบอกเราว่าเขาเป็นบุตรของหญิงมันเขาเป็นบุตรของหญิงมันอย่างนี้มันก็ขัดแย้งตัวเองเป็นการขัดแย้งตัวเองเพราะว่าหญิงมันมีบุตรไม่ได้แล้วเขามาอ้างว่าเขาเป็นบุตรของหญิงมันมันก็ไม่ต้องไปสืบว่าหญิงมันคนนั้นอยู่ที่ไหนที่เป็นแม่ของเด็กคนนั้น เป็นแม่ของคนคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ต้องไปเสียเวลา น, นี่ก็เล่าให้ฟังเป็นอินโทรดักชันว่าดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้านั้นได้ไาาไดับสนิทแล้วไม่พระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันเืิดดับสนิทแล้วไม่มีอยู่ในที่ใดๆไม่มีอยู่ในที่ใดๆเพราะถ้ามีอยู่ในที่ใดๆก็ถืวอว่ายังมีพบอยู่ มีอยู่ในที่ใดๆก็ถือว่ายังมีพบอยู่นันก็ไม่มีที่นี้ก็สืบ อ, อ, อนุสนทิ่ต่อไปนะครับว่ า, าพระสวดใจยมงคลขาดาในงานพิธีต่างๆนั่นเป็นการกล่าวถึงชัยชนะแปดครั้งของพระพุทธเจ้าว่าแต่ละบท นั่นก็จะได้ลงเขามีคำลงท้ายว่าตันเตสสาภาวตุเตสยมังคลานิแปลว่ า, าด้วยเตของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเ็ื่อหมายถึงผู้อ่านสวดให้เราอ่านสวดให้เจ้าภาพแต่ที้ถ้าเราสวดเองเรานำมาสวดเองมันก็เปลี่ยนคำว่าเตเป็นเม ตันเตชะสาภาวะตูเมชยมังคลานิเตตัวหลังนั้นเปลี่ยนเป็นเมเมแปลว่าแก่เราเตแปลว่าแก่ท่านเมแปลว่าแก่เราอขอชัยมงคลจงมีแก่เราก็เป็นการสวดให้ตัวเองสวดให้พรตัวเองอดีเหมือนกันดีเหมือนกันคนเราก็ส่วนมากก็มาแกยไปขอพรคนนั้นคนนี้อะไร ว่าเราก็มีวิธีที่จะให้พรตัวเองได้บ้างแต่ว่าอ้างเอาพระพุทธเจ้าผมจะลองเริ่มดูสักบทหนึ่งนะครับลองเริ่มดูสักบทว่าพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทว่าไปตามลําดับอย่างนี้นะครับจะไม่ว่าภาษาบาลีครับเพราะว่าค่อนข้างยาวแต่เราบทแล้วก็ยากด้วยเป็นฉันที่ค่อนข้างยากแต่ก็ได้ความดี คาถาแรกนะครับกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารเมื่อก่อนก่อนที่จะตัดสรู้ว่ามีพญามารพร้อมโดยเสยนามารมากมายมีอาวุธครบมื อ, เ, อ, อเนรมิตมือตั้งพันสหัตสัมภินิมิมตรสาวุทันตังุทันตังอาวุธมีเสียงกึดก้องมีเสียงกึกก้อง แล้วก็ขี่ช้างคีริเมค ร, รีเมฆาหลังอุณิตาโครสเสนามารังขี่ช้างขีิเมฆเท่เเเาหน้าจดบันลังเท่าหลังจดจกักรวันนี้ว่าตามมัทธิธาถาเึ่งแต่งภายหลังมีเสียงกึกก้องเพื่อจะทำลายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงเอาชนะด้วยพระบารมี แต่พระองค์ทรงเอาชนะด้วยพระบารมีมีทานเป็นต้นดานาทิธรรมมวิธีนาจิตวามุนินโทพระเจ้ามุนีทรงชนะด้วยธรรมวิธีธรรมมวิถีนาด้วยธรรมมวิธีมีทานเป็นตนด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านอั น, นี้ถ้าเราสวดเอาตัวเราเองเราก็ตันเตชะสาภาวะตุมเอง ชัยมงคลานิขอด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่ทรงชนะมารมาก็ข อ, ขอชัยมงคลให้ทงมีแก่เราพระวัตถุมีตอว น, นี้ก็มาถึงเรื่องที่สองนะครับมาถึงบทที่สองชัยชนะครั้งที่สองของพระพุทธเจ้า น, นี้ก็กล่าวถึงพระพุทธองค์ได้ทรงชนะอาละ ว, วาดยัก ด้วยพระขันติบารมีมีเรื่องย่อว่าพระพุทธองค์ทรงมองเห็นอุปนิสัยของอาละวะกากยักษ์ว่าพอจะโปรดให้ใหายดุดร้ายได้จึงได้เสด็จไปยังที่อยู่ของเขาที่เมืองอาลวีเวลานั้นอาละวะกากยักษ์ไม่อยู่ ไปไประชุมล้วก็ยักไปไประชุมพระพุทธองค์ก็ขึ้นไปแต่ทับนั่งบนบันหลังของเขาทีนี้เมื่อเขากลับมาเอาเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่อย่างนั้นก็โกรธมากจึงไล่พระพุทธเจ้าให้ลงจากบันหลังพระพุทธองค์ก็ลงแต่โดยดีเขาก็นึกว่าอัศมณะนี้ว่างง่าย ว่า ง, ง่ายจึงเรียกกลับขึ้นไปให้นั่งใหม่พระพุทธเจ้าก็ทรงทำตามเขาก็ให้ทําอยู่อย่างนี้ถึงสามครั้งพอครั้งที่สี่พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำคือไม่ทรงกระทําตามคงประทับนั่งเฉยอ่าแล้วาดยักษ์จึงได้ทูลถามปัญหาหลายข้อ พระพุทธองค์ทรงแก้ได้หมดยักษ์ก็เกิดความเลื่อมใสยักษก์เกิดความเลื่อมใสท่นก็เลยปลุกเป็นสันษณรว่าเป็นแปลความว่าอันนี้ขึ้นต้นด้วยมาลาตีเรกามพิยุทธิทจตสั ร, รัตติแต่ว่าเรียกว่าต่อยุทธกันทั้งคืนก็แปลเป็นใจความว่าอาละวะาดยักษ์ผู้มีจิตกระด้าง กัะเจจากความยับยัง้งมีริสใหญ่ยิ่งกว่าพยามารกระทาการยุดกันอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดกาตรีแต่พระจอมมุนีเอาชนะได้ด้วยขันติวิธีขันติสุดันตะวิธีนาด้วยขันติวิธีซึ่งพระองค์ทรงฝึกฝนมาดีแล้วเพื่อเดตแองพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ข้ใชัยมงคลทรงมีแก่ท่านอันนี้มีประวัติมีประวัติอีทีนี้เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหาปัญหาของอาราวาตกายักที่ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายข้อแล้วพระพุทธเจ้าตอบได้หมดเขาก็เลื่อมใสปัญหานี้ดีมากเลยนะครับปัญหาของอาราวาตกายักซึ่งปรากฏอยู่ในอาลวาสูตรในสังยุตติกาย ผมจะนำมาเล่าให้ฟังตามสมควรนะครับตามสมควรเราพกายายักในทูลถามปัญหาว่าอะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันเปิดเสรีของคนในโลกนี้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเป็นรถเลิศกว่ารถทงร้งาล นักบานทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสตอบนะครับคุณเจ้าตรัสตอบวา่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ศัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติแล้วนําความสุขมาให้ความศัตว์ เป็นรถเลิศ ก, กว่ารถทั้งหลายนักปราทก์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดอาราบกะยักษ์ได้ทูลถามต่อไปว่าบุคคลข้ามอกะได้อย่างไรข้ามอันนบได้อย่างไรล่วงทุกได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลข้ามโอกคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอันนหรือวงน้ำมันนะครับได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญายักถามต่อไปว่าบุคคลทําอย่างไรจึงจะได้ปัญญาทําอย่างไรจึงจะได้ศัก์ ทำอย่างไรจรึงจะได้ชื่อเสียงทำอย่างไรจรึงจะผูกมิตรไปได้ทำอย่างไรละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกอื่นจะไม่เศร้าโศกพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอาราหันต์ฟังอยู่ด้วยตีไม่ประมาทพิจารณาธรรมอย่างท่องแท้ย่อมได้ปัญญาเพื่อบรรลุนิพพาน ขยันไม่ทอดทุระทาการงานให้เหมาะเจาะย่อมมาซับได้บุคคลย่อมได้ชื่อเสียงเพราะสัจจะบุคคลผู้ให้ย่อมผูกมิตรไปได้อันนี้จะเป็นคําตอบของพระพุทธเจ้าคําตอบของพระพุทธเจ้าอ่าแล้วก็ยักกราบทูลว่าทําไมเล่าข้าพเจ้าจะต้องเที่ยวไปถามสมณพราหมณ์เอาอันนี้เดี๋ยว เวลาจะไม่พอเสีแล้วครับผมแต่ถ้าๆจะต้องหยุดไว้ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้จเลาให้ฟังต่อครับเราคำถามคำตอบของพระพุทธเจ้ากับเรากระยักยก็สนุกดีแล้วก็ได้ธรรมะได้สาระได้อะไรเยอะเลย